เพิ่งตัวเองก็คือมีสติสตินี่รู้รอบมันหน้ารอบเราจึงต้องมีสติเพเป็นเจ้าของชีวิตเราถ้าไม่มีสติอันื่นจะมาคลองสังเกตตัวดีๆเวลามันทุกข์มันหลงมันโกรธมันเศร้าหมองแสดงว่ า, าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราแล้วอันื่นจะไปคลอง ถ้ว่ยักษ์อย่างเรื่องศิทธ์ใสสีโหสังทองสุมนธาสุโมนธาน่ยยักกลุ่มพันเราไปเป็นเมียแต่ว่าไม่มีใครไปเอาขึ้นมาได้มีสังทองสีโหสิทธิ์ใสอาสาตากมาขึ้นมาเอาสุโมนธาขึ้นมา ก็จะได้ขึ้นมาก็ผ่านอะไรหลายอย่างเชื่องซ้อนลาป่าซ่อนเงี้ยงน้ากัเหล็กกัดทองแดนงูสว่างจิตนาหลีจิตนาลนู้จอกแตดงูสว่างไหมเจอแดดงูสว่างไหมมันพ่นใสตาลืนตาไม่ขึ้นพอจนยอมลาบแดนงูสว่าง สร้างชอนาปาซอนเนี่ยงอะไรก็มีแต่ปัญหาต่างๆจะมีสติอันเด่นมาขวงขั้นจะมีความรู้สึกตัวจะมีสีนเชิหน่อยปกติเชิงหน่อยาเป็นเหล็กกระทองตัด่าดออกไปเหมือนกับเขื่อนกันน้ำถ้าไม่แข็งแรงก็ขาดพังปานั่นสังทองสีหัวสินใสก็ จึงเอาขึ้นเอาเอาสมุนธาเกิดมาสองสองสีหโหสินชัยสังทองเป็นพี่ชายสีหโหรเป็นคนที่สองสินชัยเป็นคนที่สามพี่กับน้องกันสังทองสีหโหสินชัยคือศีลสมาธิปัญญาจุดท้ายคือปัญญาสินชัยคือปัญญาสังทองคือศีล สู้ก็พองูส้วงไม่ได้สร้างช้อนงาปลาช้อนแยกย่ามกัดเจ็กกัดทองไม่ได้สีหัก็ก็จะตั้งให้มั่นอยู่กับกายเคลื่อนไหวก็หลุดออกไปหมายถึงสมาธิมันยังไม่มั่นคงก็ต้องเรียกสินเชยมาช่วยคือปัญญาตูวจักเปลี่ยนครบร่าเป็นความดีมันหลงเปลี่ยนเป็นรู้อ น, นี่เรียกว่าปัญญา เือตัวสินใฉมันสงบเปลี่ยนมันรู้มันพ่องส้น้นเปลี่ยนเป็นรู้ต้องสามปัจจัยการแรงช่วยแรงสนับสนุนเราทำมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีทั้งสามอยามีสินมีสมาธิมีปัญญาตามถึงสุบราแล้วยังไม่ยอมกลับ สุวรราจังอะไรยักอยู่สองทองสิงหหสินใจก็ต้องบังคับประชากรากดึงกลับมองมาจากถ้ำแล้วสุวรรณาก็ยังขอกลับคืนไปสั่งยักก่อนสองทองสิงหหสินใจก็พาคืนไปแต่ยักนอนยังไม่ตื่นถ้าตื่นก็คงจะได้ลบ่นันกับสองทองสิงหหสินใจ หมายถึงกรมราคปฏิกรรมานาทิติถ้ายังไม่เข้มแข็งในสินสมาธิปัญญาหมายถึงสติก็ย่อมจะหวนไปเรื่อง่ายจึงไม่ใช่เรื่องลบท็ใหม่ๆเพียงแต่รู้รู้ไปถึงนข่าวลบ ก, ก็จึงพลังพร้อมย่องพ่อกิเลสเมืนหมาสติเหมือนช่าง นินวรณ์เราทเหมือนมแมลงใจติเหมือนลูกอินทรีย์ตังโยต์ต้องสามการมาราคะปคิติคะมานณาติปิตังโยต์ั้งห้าทิฏฐิมานะอะไรต่างๆก็เหมือนกับดาบเข้มแข็งแล้วถ้เป็นศีลสมาธิปัญญาก็เมื่อเราสมาธิก็เหมือนเราได้ยืนที่จะฟันไม้จะขุดดิน เคยเดินที่อันมั่นคงก็จะเืินขาเดียวมันลู่โลกศีลก็คือมีดรึกขวานที่มีคมคิบไม่เช่มีดกลไกโคน่นไม่สูงต้องน้ำหนดก่อเพียงกันปัญญาก็คือรู้จักป่าละเทสะเวี่ยงแรงเบี่ยงระหว่างฝันมีดแรงเวี่ยงระหว่างขุดโจก แรงเบี่ยงระหว่างควันขวันถ้าเจ้าควันไม่มีแรงเบี่ยงไม่ก็ไม่ขาดก็อมีแรงเบี่ยงช่วยคมแล้วยางสนับสุนไม่แบงสุก็คืองามแต่ก่อนสุเป็นงามหมายถึงกิจของเราที่มันงดงามมณทาคือมณฑินมณฑินมันเปื้ไปเพื่อนเรามันก็ลยอยเศร้ามองโลดยยักษ ความเศร้ามาองเหล่ายักษเมื่อความเศร้าหมาองเกิดเขาตีใจแล้วก็ความดีระยะดังยกัยกษ์เนี่ยที่ใดเห็นยัาากษ์ก็จับตาตาอาวุธทั้งนั้นหน้าตาเขไม่เคยดีเหอนเศร้าหมาองให้มียัาากษ์ตรงไหนจับดอกไม้ทุบเทียนนั้นคนในความโกรธความทุกขความเพียดเชื่องชิงชังมีแต่ไฟบาเบียดเบียน พูดคำสองคำไปคิดจะทำลายล้างอะไรต่างๆถ้าเรามีสตนะิมันก็หยุดไปในมือของมารได้กิเลสมารขันธ์มารมจุมารเทวุติมารสังขาร น, นำงานตายสังขารปรุ ง, ง, งแต่งๆเราก็หลงมันกลายเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนไปกิตตสสังขารก็หลงในความคิดแต่ที่จะได้ความรู้จากความคิดได้ ตามรู้จากการป่งแต่งสิ้นใสจึงเฉียบแหลมซะหน่อยเช่นวงเงาหอนอนสู้ซึ่งหน้าก็ไม่ได้โงโดยทาองอ้อมเาจะลุกขึ้นเดินยองกองน้าล่างหน้าหรือมองท่องฟ้ามือลูกไปตามตัวทาก็รู้สึกเป็นกลางวันอย่าไปจนเลยหาทางที่จะแช้ไข อย่าไปอันเดียวมันมีเยอะแยะไม่เอาด้วยมนสู้ด้วยมนไม่ได้ก็เอาด้วยกลเอาด้วยกลไม่ได้เอาด้วยขาถาหายอย่างการปฏธรรมมีการพลิกแพงเรามาศึกษาพุทธประวัติขณะที่ศีรษ ะ, ะออกอวดใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้กับการทำที่ทําให้ตัดสรู้เลยก็ทํามาเดือน จะถึงห้าปีหกปีกว่าจะได้ล่องรอยพิกแผงมาเรื่อยเกิดมาได้หลักก็ต้องบำเพ็ญตังคิดท่านนั่นเลยว่ายังไม่เห็นลู้เห็นทางแบบนี้เราเข้ามาสายตรงเลยเข้ามาสายตรงๆมาสัมผัสกับขวางรูตาต่อตาเข้าไปเลย ไม่เคยมีความรู้สึกตัวก็ต้องเอามาทำให้ได้หัดให้ได้ให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวแม้ความรู้สึกตัวมีอยู่แต่มันซ่อนลึกไม่ค่อยรู้จักเห็นง่ายคือความหลงความโกรธ ค, ความทุกข์ความรักความชังจิตเหล่านี้ลอยลอยหน้าโชว์หน้ากัรความรู้สึกตัวไม่ค่อยเห็นมันจึง มีการปฏิบัติฝึกหัดกันบ้างมันก็เจอความหลงเจอความหลงไม่พอเจอความหลงที่กลายเป็นทุกข์ไปก็เป็นอุปทานเป็นกิเลสตัณหาหลงแค่ชื่อไม่เท่าไหร่มันหลงแล้วมันต่อไปมันต่อไปขายายไปถึงถึงเป็นพวกเป็นชาติชลามระโศกไปเทวทุกข์ต่อไปแพ็บเดียวแพบเดียวไปไกล จนทางหัวเลาะร้องไห้ที่จริงมันต้องหลงก่อนดูดีๆดูดีๆจะได้บลุกเรียนจากความหลงของทุกเยอะแยะไปหมดหลยเห็นกายเห็นเป็นรูปเห็นความรู้อะไรได้ต่างๆเกี่ยวกับกายเคลื่อนไหวไปมาลู่ล่อนลู่เหน่าเป็นนามะธรรมนันมีรูปมีนามจึงทุกข์เป็นล่อนเป็นหน่าเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นถูกถูกผิดผิดเป็นสุกถูกทุกทุกเป็น ว่ามันไม่ลูกไม่นามถ้ามีแต่กาแต่ใจน่ยมองไม่ออกดูไปดูไปมันมองไปลแนได้มันบ่งบอกขั้นตอนเป็นยังไงหราันหมอแค่รักษาเชื่อโรคเหมือนนักศึกษาเรียนสูต ร, รนมาดีเวลาเข้าสนามสอบผู้ใดมีประสบปรากฏการประสบการณ์ในการผ่าตัดพวกนั้นก็ แต่หมอที่เก่งผู้ใดมประสบการณ์ในการหลงในการรู้ผู้นั้นก็มีประสบการณ์มากที่สุดน่าจะขอบคุณความหลงควงทุกข์บางทีเราไม่เข้าใจแม้ว่ามันมันไม่ถูกต้องมันมีอยู่ทําไมจะไม่ถูกต้องมันมีให้เห็นน่ะมันก็มีอยู่พระพุทธเจ้าหรือตั้งแต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเห็น เ, เห็นสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันหมดเลย เห็นีนวนระธรรเหตุพวงมุ่งเหาหอนอนความคิดผุ่งสารความนาเลสสงสัยความพัยบาทรล่าฆาโทสะโมาหะจนที่ได้เลยว่านี้แหละคือทำมันกั้นจิตเหมือนภูเขาห ว, วงหน้าแล้วจะเดินทางไปทุรกันดาลในถิ่นทุรกันดารไม่มีทางก็ต้องหัดเดินปีนเขาปีนไ ป, ไป่ายไป เหมือนพวกเราที่มาอยู่ที่นี่สมัยก่อนยี่สิบใส่สี่สิบปีผ่านมามันไม่มีทางรถทางเหลือก็ปีนเขาขึ้นมางั้นขนาดไหนพอจะได้เข้ามากินสักเม็ดพอจะนา่งปลามากินสักขวดแล้วก็ประสบการณ์นั้นมันจึงค่อยมีทางขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเขาอันขั้นจิตมีไหมพวกโมงหอหอนอนมีไหม กำลังเล่ยสงสัยมีไหมความชิดผงซ่านมีไหมจับจับจดจดอะไรผิดอะไรถูกพบผลอยู่แถวหน้าหนาอ๋อก็เลยและผู้เขาอันกจิตพระรีรัทะเห็นที่แรกก่อนี้ลงไปเลยนี่แล้วผู้เขาอันกับจิตให้บรรลุกุณหามความดีตก็มันเกิดขึ้นทีไรก็ไม่ต้องลังเล่ยสงสัยไม่ใช่สติ มีมันกันเหตุมานกั น, นกิเลสมานทุกชีวิตเมื่อยังไม่บรรลุธรรมก็มีกิเลสกิเลสคือทําให้จิตใจเศร้าหมองไม่ใช่พูดปัญญาสามีทรัพย์เสียงเงินทองเราไม่ทรัพย์สมบัติก็อยู่โน่นเฮ้เล่นะเลือกสวนก็อยู่โน่นมันไม่ใช่อยู่กับเรากิเลสเนี่ยคือมันนอนเนืองในใจมันย่อมจิตทำให้เป็นไปต่างๆ ของขันเอาไว้ของขันเอาไว้นอกจากกิเลสมารที่มาย่อมจิตแล้วขันธ์ธามอีกกร่างกายจิตใจของเราเน่ยมันเป็นขันทั้งนั้นรูปขันเป็นนามะขันธ์มันก็แสดงออกเราไม่รู้ว่ามันเป็นขันทํางานแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์กับขันไปเป็นแน่ถ้าเป็นความมืดเป็นความมืดสีขาวคือความสุข ถ้าเป็นความมืดความมือจีดำคือความทุกข์แต่ก็แบ่งซะสุขทุกข์ของการสุกทุกข์วิ่งหนีเอาทุกข์ทุกข์ไล่ตามของการสุกสุขวิ่งหนีความทุกข์ไล่ตามมันก็เป็นอย่างนี้ที่จริงมันของอเดียวกันถ้าผู้มีสติเราจะเห็นเหมือนกันหมดมันสุกก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นไม่ได้แบ่งเป็นลายเป็นภาวะที่เห็น มันหลงก็เห็นมันลูกก็เห็นมันผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นมันเหนือมันมาเบียบเหนือเมฆสติเนี่ยลูกเห็นนามเข้าไปลูกมันก็บอกนามมันก็บอกว่จับจับจดจดจับพัดจับผูมันมีขั้นตอนมันมีสูตรของมันไปเองแต่ใจบางทีลูกก่อนลูกเห็นก่อนเป็น อะไรเอาความรู้ออกหน้าออกตายังทำไม่เป็นเอาเหตุเอาผลออกหน้าออกตายังทำไม่เป็นถ้ามันรู้ถ้ามันหลงรู้สึกถ้ามันคิดไปรู้สึกถ้ามันสุขมันทุกรู้สึกเนี่ยทำไม้เป็นตรงนี้ถ้าทาเป็นตรงนี้ได้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายไปเอาจาึงมาสายตรงๆ ต, ต, ตรงนี้แน่นอนที่เอื่นไม่ต้องไปสนใจ สนใจเรืงนี้ก่อนเรื่องอื่นก็จะจะรู้ทีหลังมันเป็นใชื้ภูมิที่ดีถ้าเราได้หลักความรู้สึกตัวแล้วมับจะไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งต่างๆ ง, ง่าจะมีกิเลสพันห้าตรนาร้อยแปดถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วนะเป็นเรื่องง่ายๆคำพูดบางทีเราก็กลัวบางอย่างสมมติปัญญา ผูเขาท่วงทับเราอรก็เป็นตัวเป็นตนตสมมติโชคไม่โชอบเอ๊ะไปหมดเลยชีวิตเราบัญญัติเก่งสมมติเก่งทั้งทงั้งที่จริงที่บัญญัติสิ่งที่สมมติก็ไม่จริงล่มเหลวเหมือนพันควายดินสายสร้างขึ้นอย่างดีปเดี๋ยวก็พังไปพันสมมติบัญญัติแล้วเราก็เอาอยู่ เอาสุขเอทุกข์วันหยาตัวเองว่าสุขว่าทุกข์ว่าชอบว่าไม่ชอบหวงกัน้นทําให้สติงอ ง, งามได้ยากเราจะมาดูเฉยๆให้เห็นเฉยๆการมีสติการมันเป็นดังกิดกิดดูกิดมีสติดูกิดกไม่ใช่ว่าหาดูถ้าไม่มีก็ไม่ต้องดูมันแล้มันคิดขึ้นมาก็ค่อยดูค่อยคอยเห็นรู้ก็กลับมา ภาวารู้สึกตัวเนี่ยมันก็ดูจิตแล้วมันคิดทำห้รู้สึกอันเคลื่อนไหวทำให้รู้สึกอันละจิตดูจิตสติดูจิตเอาไปมาเป็นอันเดียวกันจิตก็คือภาวะ Rahmen ที่รู้สึกตัวสติก็คือภาวะความรู้สึกตัวลับความชั่วคือภาวะความรู้สึกตัวทํความดีคือภาวะความรู้สึกตัวภาวะความรู้สึกตัวเนี่ยทำความดีภาวะความรู้สึกตัวรับความชั่ว เพระว่าความรู้สึกตัวอันเด็ดทำให้จิตบริสุทธิ์ถ้าไม่รู้สึกตัวว่าไม่ได้รับความชั่วไม่ทําความดีจิตก็ไม่บริสุทธิ์เลยเราจะมาทํากรรมฐานานั่นเองอย่าแปเหียตุผลอย่าสมมุติว่าเราแก่เราเท่าเราเป็นคนงโง่คนนั่นเป็นคนฉลาดไม่ต้องเปรียบเทียบถ้ารู้สึกตัวก็มีสิทธิเท่าเทียมกันอาจมีตัวโล่ปไปแต่โล่เนี่ไม่ใช่ไปแค่ พิกมื ar, อขมื ar, อพิกมือขึ้นจะเคะรู้หายใจเข้าหายใจออกจึงจะรู้ไม่ใช่เ ม, มื่อเป็นสภาวะที่รู้มากรู้แล้วมันก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยอะไรก็มี็นแต่สภาพที่รู้ไปหมดเจ็บแค่ได้ป่วยคือภาวะที่รู้อะไรก็เป็นภาวาทะาวาที่รู้ไปหมดแล้วไม่ต้องไปสร้างก็ได้ทันมีแล้ว มันทำเป็นแล้วการสร้างเป็นเบื้องต้นตตความโกรธควาโลควมหลงไม่ต้องไปอดไม่ต้องไปโลบปลีกไม่มีอะไรหลบปลีกอันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวไปบางทีเราไปอดทนไม่ใช่อดทนกน่อนไม่ใช่การเป็นท่านอนุบาลอาบหัส ด, ดีแล้วเป็นการศึกษาดีแล้วมันก็เป็นไปเอง มันแล้วไปแล้วเหมือนกับคนทำงานแล้วไปแล้วไม่ต้องไปศึกษาอีกเราทำนาทำไรปลูกอ้อยร่อยไร่ปกข้าวร่อยไร่มันก็แล้วไปแล้วข้าวที่ปลูกก็ปลูกแล้วมันเป็นประจักษ์แข้งรู้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นรู้แล้วมันแล้วไปแล้ว ไปเลยยุกมือสร้างจังหวะก็ได้ไม่ต้องเปนั่งที่ไหนก็ได้เป็นชีวิตทั้งชีวิตไปเลยมันจะเงินเหนือทุกอย่างเหนือการเกิดเจ็บเจบตายไปเลยโอ้เจ้าจังอ้ทานตอรบรับยศสกุลบุตรยศสกุลบุตรเนี่ยร้องออกมาลูกชายเศรษฐีที่นี่บุ่นวายเหลือเกินทนี่ทุกข์เหลือเกิน วุ่นวาเลืเกินขัดข้องเลือเกินร้องออกมาเมืองคนร้องไห้เลิกกันบ้านเคยอยู่ก็ไม่น่าอยู่สามีเคยรักก็ไม่รักปัญญาที่เคยรักก็ไม่รักมองอะไรเน่ะเป็นเสื่อเป็ น, นหนามพุ่นวายเลือเกินขัดข้องเลือเกินพระเจ้าก็ขานตอกที่นี่ไม่วุ่นวายที่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิด และจาคกคนโวราเดินเข้าไปพระเจ้ากเทศนาให้ฟังเรื่องอาจดูพิกถาให้อาบน้ำอ่านบูพิกถาเหมือนอาบน้ำหรือซักผ้าให้ร่างกายสะอาจจึงมาแต่งเนื้อแต่งตัวซักผ้าสาดแล้วมาย้อมสีต่างๆได้ใจเมื่อสาดแล้วก็จ้อมทำเข้าไป เรีว่าเนกนี้ขมมะในสักกรกถาดำหลี่ออกความทุกข์ไม่ใช่ออกไปได้พวกมุ่นหวายออกได้ทำความเป็นหน้าแจ้งทำว่า็น้ถูกต้องไม่ใช่ที่นี่มันอยู่ในเราไม่ใช่เหมืองพรนสีมันอยู่ที่หัวใจของยาสาวกนบทมาดู ที่ใมีทุกข์ที่นั่นไม่มีทุกข์ที่ใดมีความหลงที่นั่นไมมีความหลงที่ใดมีความเศร้าหมองที่นั่นมมนมีความเศ้าหมองอย่าหมดเนื้อหมตัวขณะที่อย่างนั้นเกิดขึ้นหัดมองหัดรูผิดแล้วเท่าไหร่สุขเท่าใดทุกข์เท่าไรความสุขความลักความชังเกิดขึ้นเท่าไหร่น่าจะได้บนเรียนมันก็ เช่นผมบางภูเขาเคยเสียใจเพราะการพัดพาจากของรักของชอบใจพอ ม, มาดูจริงๆเอา้ามันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวมันมาจากนี้มันเป็นอย่างนี้เหมือนดังปตจิจลาลูกเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีแอบลองรักคนใช้แอบแต่งงานกัน ทากันหนีเจ้าแม่ก็ไล่หนีไปลูกสองคนรูปลู ก, ลกข้อมดงข้อมป่าให้มีบ้านเป็นเลือนพอดีก็สามีก็าตายเสือใจก็ได้ประลุธรรมเพราะความตายความพัดภาคจะกลับไปบ้านพ่อวัานแม่กาลังเป็นทุกข์เสียชัดเสีโซ มีคนถามว่าพ่อของฉันเป็นไงแม่จะแข็งเป็นไงเจถีบอกว่ า, ว า, วาลมพัดบ้านพังหักตุง ท, ทลายไปเลยตั้งพ่อเจถีแม่ถีก็ตกบ้านเรือนลมทับตายอยู่ที่นั่นเผาทั้งบ้านแต่เนี่ยมีควันอยู่อาจจะไปน่ะก็เป็นว่าไปเลยแจ่สิ้นแย่ผ้าหรืออีกนางหนึ่งเลยลูก พอดีก็ได้ลูกเลิกลูกลูกก็ตายไม่สามารถเอาลูกไปทิ้งได้คิดว่าจะาลูกขึ้นได้ตายแล้วก็ขึ้นได้ก็ยอมทิ้งก็เจอเจอง้อลูกหาจุขหายาจนถึงไปถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่ามียาอยู่แต่ต้องหาตัวยามาแต่เม็ดประกาศมาจะทําดาเอาลูกขึ้นให้ เอาตรงบ้านคนที่ไม่มีใครตายนางก็ไหวบ้านใดบ้านใดมันแต่คนตายบอเห็นว่าคนตายคนตายคนตายคนตายคนตายหลายบ้านหลายมาอก็ชิดได้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มนนนไม่ใช่คนตายมาลงโทษถ้าใช่เป็นเป็นประโยชน์ความเก็บก็เหมือนกันความแก่ก็มันกันไม่ใช่เราคนเดียว มันธรมธรมดาธรรมดาถ้ามันโกรธมันก็มีไม่โกรธ่อนทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์อยู่เช่นนแล้วอย่าโหนเน่าหมดตัวดูดีๆได้ปัญญาปัญญารด้จักปัญหาอย่างนี้แห ล, ละแล้วก็มีสตินะถ้ามีสติก็เอาเลยเป็นสุขเป็นสุขทันทีเป็นทุกข์เป็นทุกข์ ท, กทันทีโกรธก็โกรธทันทีหลงก็หลงทันที ถ้ามีความรู้สึกหน่อยมองตนถ้าเป็นดวงตาตามันมองไปข้างนอกกลับมองด้านในถ้าเป็นดวงตามองด้านในดูทำไมเราจังหัวเราะทำไมจังร้องไห้เรื่องอะไดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเท็จจริงขนาดไหนมีอะไรบ้างใครบ้างมองกลับมาทีๆบางที อาจจะลึกซึ่งด้วยเดินออกจากบ้านได้สบายเดินเข้าบ้านได้สบายทำงานทาการได้สบายความโกรธอาจจะกลายเป็นความรักกันและการขึ้นมามีหลายคนที่ที่ออกมาสอนให้มาฝึกหัดแนวพาความโกรธมาปฏิบัติพาความทุกขมาปฏิบัติหน้าขอบคนความทุกถ้าไม่มีทุกข์มันก็มัมีศรัทธา ต่างย่าชะทุกหนอทุกหนอวนไหวหนอเนี่ยถ้าไม่มีความทุกเกิดสัฐธรรมะได้บางทีถ้าเราใช่เป็นก็ได้ประโยชน์จากความทุกได้ประโยชน์จากความหลงได้ประโยชน์จากความโกรธเยอแยะอยากให้เป็นโทษจากความทุกอยากให้เป็นโทษจากความโกรธเอาประโยชน์มันมีอยู่ความโกรธทาไมเกิดความไม่โกรธ ความทุกข์ทำมาเกิดความไม่ทุกข์ความหลงทำมาเกิดความไม่หลงตรงกันข้ามพอดีพอดีเหมือนกับหน้ามือหลังมือเราอยู่ด้วยกันตอนท่านยังว่าน้ำเยาะกับน้ำบองให้มันหลงลงไปเวลาเรามาปฏิบัตินั่นก็ไม่ใช่หลงเราคนเดียวคนอื่นหลงเหมือนกันนะไม่ใช่เราง่วงคนเดียวคนอื่นก็ง่วงเหมือนกัน ไม่ใช่เราทุกคนเดียวคนก็ทุกเหมือนกันรับความจังก็มหวัอนกันลองดูดีๆลองขไว้หูสตินี่เอาัว่าสตินี้มาไหวแม่ด่วนรับไม่ด่วนปฏิเสธได้สติมา ก, ก่อนไม่ด่วนรับไม่ด่วนปฏิเสธตัวก่อนเป็นกลางๆใชยก่อนหลาณท่านอย่างสองลูกสนหลานน่ะ ฟังหูไวหูดูตาให้ดูตาเอาไว้ตาก่อนอย่าเพิ่งเชื่อตาฟังหูอย่าไปเพิงเชื่อหูได้กลิ่นเรื่อเลื่อรถอย่าเพิ่งเชื่อกลิ่นเนลื่อรถให้เป็นกลางสักหน่อยจะหลงมันจะได้ปัญญาเหมือนคนมาขออยู่วัดเรามาขออยู่วัดไม่ใช่ว่าจะสงสารในความสงสาร เราจะเอาความโกรธให้ความโกรธทาหน้าที่ความพอใจไม่พอใจถามดูเล่นเล่นสันกหน่อยว่ายังไงมาอย่างไรเมื่อไรเรื่องเลยเล่ามันจะได้เรื่องขึ้นเรื่อยๆอย่างวันนี้หลวงตาเราตอนว่ายตอนเช้าที่วัดโพขอทองพยมมาอยู่วัดนานแล้วเป็นปีแล้ว วันนี้เขาก็มาขาบเราเรายืนลดน้ำตนมากอยู่หลวงพ่อผมอยากปวดผม อ, อยากจะบวดแล่ว่าเลรบอกมาอยู่วัดนี่ได้เป็นปีแล้วไม่เห็นสวดมนต์ไหว้พระไม่เห็นทำกิจสงอะไรเลยการระเชิญข้าวการระเชิญน้ำ การปาระสาทการจัดเสนาชนะไอ้พระชนมันไม่เห็นไม่เห็นมาทําเลยบอกก็ไม่ค่อยมาผู้ที่จะบวชต้องมีนิสัยไม่ต้องให้ใครบอกขวนขวยเองถ้าเป็นอย่างนี้ก็บวชก็เป็นบาปถ้าจะบวชต้องงาเน้นินกว่านี้อีกดูท่าทางลักษณะไม่เหมือนความเป็นพระอันบวชก็ตกลนลก เพราะเราไม่ได้มีนิสัยแบบนักบวชแม้พระชวมรนก็ไม่เป็นไม่เห็นจริงๆธรรวันเช้าตรรเจิตไม่เห็นเลยเห็นตั้งแต่เวลาพระฉันยิ่งก็เดินมาก็ยกกข้าวออกไปกินอันดีตก็รีบกินรีบกินเลพยายามอี่มให้ก่อนแล้วเพื่อจะไม่ล่างถ้วยบอกก็ร้อยข้างก็ไามา่ไม่ค่อยปฏิบัติตามจะไล่นหนีก็ไม่ไรจะ สรรเสริญให้อยู่ก็ไม่ว่าแต่ว่าดูแล้วเหมือนไม่หมอที่บวดออกมันจะเป็นบาดถ้าจะปวกก็ไม่เป็นลักษณะนี้คนเป็นภาพไม่เป็นอย่างนี้อะไรบอกแค่เนี้ย เ, เราถามเราดูเราก็รู้คนยองง่าเป็นอย่างไรบางทีไม่เข้ามาอยู่เป็นปีเพียงแต่เราสอบถามดูก็รู้ว่สมควรหรไม่สมควร บางทีเราก็ปฏิเสธเลยไม่ตา้ต้องพูดเราความถูกต้องนี่เป็นตน้นไม่ไม่แต่ดูแป๊บเดียวก็รู้ก็มีม้าํากันหาบาทหาจีวนให้เลยให้เหมือนกันแล้วเพรายที่เราเกี่ยวขอ้องเกี่ยบตัวเรามันมีเกณฑ์ชีวิตในตัวเราเพราะเราเคยเป็นโยมมีเกณฑ์ชีวิต เราจะไปบวชมีเกณฑ์ชีวัตจะไงมันก็ก้าวหน้าถ้าเราไม่มเกณฑ์ชีวัตรเราเลยมันก็มันก็สับสนนั่นเรานี่ก็เหมือนกันการดูตัวเองเป็นกลางเนี่ยมันดีที่สุดอยเพิ่งด่วนผิดด่วนถูกเอาสุขเอาทุกข์สตินี่จะไม่ด่วนรับไม่ด่วนปฏิเสธเป็นกลางกลางาหัดเป็นกลาง แม้แต่ทำกรรมถานก็ดูเฉ ย, ยดูซื่อๆ อ, อย่าไปเอาผิดเราถูกอย่าใส่ใจจนเคร่งเครียดอย่าทำเล่นจนอ่อนแอให้พอดีพอดีดความอ่อนแดความเข้มเครียดเข้มแข็งก็ไม่ถ้าอ่อนอ่อนเหมือนไหมถ้าแข็งแข็งเหมือนเพชรที่ควรแข็งในที่ควรแข็งเอาอ่อนสู้ก็ได้ ไอ้ที่ความอ่อนเอาความอ่อนชูวก็ได้เอาความแข็งชูวได้รู้จักอาราเทศเยว ก, กับการสอนเัวเองก็มันการบางทีเอาจิงจังเกินไปก็หมดศรัทธามีพระอาหารหันต์สมัยก่อนเองทัดเกินไปทุ่มเดเกินไปความเพียรไม่ได้ประโยชน์หมดศรัทธาเลยหมดศรัทธาเลยไม่เอา พระเจ้าต้องแก้ไขใหม่หเราดูดีๆอะไรที่เราทำเรามันเป็นอย่างไรประเมินเล่นๆมีศรัทธาขนาดไหนขนาดที่ทำให้ขาดความเื่มงสา ย, ยังมีศรัทธาอยู่ไหมเราเป็นยังไงบางทีการตัดสินใจเอาอันอื่นมากาหนดตัวเองไม่สนตรงนั้นบางที่เราหมดศรัทธาอาจจะสร้างศรัทธาขึ้นมาก็ได้ บางทีเรามีจตนามากเราจะทําพอดีพอดีก็ได้นีเหมือนกัรสมัยปฏิบัติเกิดปิติมากไม่รู้จากหลับจากนอนไม่รู้วยจากกินข้าวเกิน้ําลายตัวเองก็แสบแสบอิม่มปิติปฏิสัทธิเนี่ยคือน้ําลายตัวเองอิมอ่มอิ่มที่เราจะฉันบินธบาดเดินไปกติ ไกะติอ้อมบาตเดินไปยังไม่ถึงที่นั่งมันวูบออกไปอยากวางบาตรอยากนั่งส่้างใว่าหต้องอดเอาไว้ต้องอดเอาไว้รอกอ็รอกอ่็เรานั่งปป๊บมันเอาเลยจมเรื่องอะไรไม่อยากกินข้าวกินน้าเราไม่อยากกินข้าวกินน้ามันทําไงถ้าเราไม่กินจริงๆก็ได้อิมออ่มอกอิ่มใจ อะไรจะเกิดขึ้นเรามีเพื่อนมีมิตรเรามาไปฉันข้าวเพื่อนเราจะว่าอย่างไงสองวันไม่ไปสามวันไม่ไปเดี๋ยวก็เพื่อนก็ต้องไปดูโจทย์ก่อนถามกันขึอาอ้าวเราก็ต้องอดเตาอุดสาบวางคับเพลงไปฉันพอเพื่อนเห็นหน้าเพื่อนฉันก็ไม่ต้องไป ยื้อะไรมากมาเอาเฉพาะถ้วยที่ใกล้ๆเราชนเรื่อนไปบางทีมันก็ซาลาห์มากเกินไปบางทีมันก็ติดสมาธิเวลาเปิดท่องเข้าไปมันจะอู้เข้าไปเลยแต่สักงบเข้าไปก่อนยังไม่นั่งเลยก็ต้องถอยไปถอยออกไว้ก่อนไม่ใช่ทําตามศรัทธาทำตาม อาการที่มันชวนและการที่มันชวนหยุดไว้ก่อนบางทีมันรู้เอาไว้ก่อนอย่เพิ่งไปตามความรู้รู้โน่นรู้รรนี้รู้แล้วก็มันอยากจะพูดก็ไม่พูดก่อนเอาไว้ก่อนบางทีผอรู้อะไรพูดไปพูดกลายเป็นวิปจโนกลายเป็นวิปลาสไปเลยเป็นกิตยานไป บางทีความทุกข์โกรกลายเป็นจริตไปความโกรธกลายเป็นจริตไปได้ประโยชน์จากความทุกข์ได้ประโยชน์จากความโกรธได้ประโยชน์จากความรู้ได้ประโยชน์จากความไม่รู้เอามันทุกอย่างถ้าเรามีสติ ด, ดูสนุกสนุกไปมันแสดงแล้วเราก็ดูไปที่ว่ามันแสดงมันจึงเป็นการศึกษา ถ้ามันแสดงไม่ศึกษาดูมันก็ไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่การปฏิบัติจิงใดไม่แสดงในตัวเราก็ศึกษามันดูมา้า่บทเรียนเลื่อยไปบางอย่างแสดงไม่เท่าไหร่มันก็หมดลดหมดชาติคองมสุข ก, ก็หมดลดหมดชาติความทุกข์หมดลดหมดชาติไม่แต่ความรู้ก็ามาแสดงแล้วก็เป็นไ้ตามขากที่แสดง ความสุขก็มีลถแห่งความสุขความทุกข์มีลถแห่งความทุกข์มันก็สแสดงอยู่ด้วยอันความสุขความทุมกข์ความโกรธความโกามลกของหลงก็จึงอย่าให้ข้ามันรู้เฉยเฉยรู้ซื่อเพราะวะที่รู้ซื่อเนี่ยมันเป็นลดพระธรรมภตวะที่เป็นผู้รู้ไม่ใช่ลดพระธรรมภาวะที่เป็นผู้หลงไม่ใช่ลถพระธรรมแลดพระธรรมเป็นภาวะที่รู้ซื่อรู้บริสุทธนี่คือรถพระธรรม จาลดท่องปวงมีรถเดี่ยวเท่านี้ไม่ใช่ความสุกเป็นลดอันหนังความทุกข์เป็นลดอันหนังความรักความจางคโกรธความโลภความหลงเป็นลดอันหนังความสงบเป็นลดอันหนังความพุ่งสร้างเป็นลดหนังไม่ใช่กวพงสร้างก็รู้ความสงบก็รู้มันรู้ก็รู้ล่อยท่านี่เลยมันจะตรงมันจะด่วน ปทางปีเวทางด่วนปีเวน่าจะหลอดนะถ้าจะบอกก็บอกว่าที่นี่ไม่มีทุกนะที่นี่มีคนโกรธนะถ้าจะบอกนะที่นี่มีแต่คนมีสตินะก็บอกตลอดที่นี่ไม่มีคนโกรธนะถ้าเราโกรธกอายเพื่อนที่นี่ไม่มีคนทุกนะถ้าเราทุกข์กอายเพื่อนที่นี่ไม่มีคนกลัวผี แต่เราผัวผีก็อายเพื่อนเมืต่ตาเคยเอาเรื่องนี้มาต่าตัวเองผีหลอกผีหลอกมันหลอกมันเหม็นนอนอยู่กระตบ๊บเหม็นมันเก้งมาหาเราหลุมฝังศพอยู่ใกล้ๆเวลาเอาศพไปลงหลุมเราก็ดูเขคอไม่หิบศพมาปูกระดานมาทํากระดานปูไม่ยังมีกลิ่นเหม็น แล้วก็ผีหลอกตอนจิ้งมาหาเราฮให้แจ้งเลยเพียอนมันจิ้งมากนะนังเนี่ยมันจิ้งมากหลุมฟังศพอ่ะอศพทีเทลงหลุมอะมันจิ้งมาหาลงคอเราเอากระมี่คาถาเ่าคาถากันศพมันก็จิ้งออกไปสู้กันยุ่งใช่ไหมกัเราคาถาศพจิ้งออกไปถ้าไปเล่าคาถาเหนื่อย จบก็ิ้งเข้ามาทั้สู้กันอยู่พอดีก็มาใกล้ๆ ก, กับเหม็นเอาคาถาไว้จบบัญชีคนนี้ก็าหายเหม็นเลยเอาอยัางไงไปไหนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจึงเหม็นอยู่แหลนะเนี่เหม็นจนเออไปยีบอลปิดปอบอ่ะขนาดนี้หรือผีเนะแล้วผีตายหงเขาข้ามันตายมันขนาดไหนเอถ้าเราจะกลัวผีไปหาเพื่อนพระที่นี่เขาไม่กลัวผี เนนอ้อยก็อยู่คนเดียวนอนอยู่นอนคนนอนอยู่เนเนอ้อยอยู่นอนไอชี้อยู่ทุนอนเขาก็อยู่คนเดียวเรากลัวผีไปฮะไปบอกว่าผีเราผีเราาก็อายเขาเชียะรปที่ไปไหะเอ้ยที่นี่ก็ว่ากลัวผีน่ะผีที่ไหนล่ะว่าแต่เราดีหรือเปล่า หายพ right? ับเลยความเหม็นก็หายไปเลยเพราะนั้นเขาไม่กลัวผีเราไปกลัวทําไมอายเขาเขาไม่โกรธล้วไปโกรธทาไมอายเขาเขาไม่ทุกข์เราไปทุกข์ทำไมอายเขาจบซะเรื่อนี้อยากให้มีอะไรเราอยามีอะไรเสร็ต้องใครมีความโกรธหยุดซะใครมีความทุกข์หยุดซะมีแต่ความรู้สึกตัวยกของชอบอย่างว่าถ้ามันโกรธก็เอานี้เลยถ้ามันทุกข์ก็นี้เลยรู้สึกตัว